พิ่มพากันตั้งใจเวลาที่จะได้อยู่ด้วยมันน้อยเต็มทีเมื่ออยู่ด้วยอย่างนี้แล้วก็จะได้ตักเตือนเพราะการตักเตือนกันบ่อยๆนี่เนี่ยมันเป็นความดีมันทําให้ได้ตั้งอกตั้งใจไม่ประมาท เราเองเมื่อเวลายังหนุม่มแน่นอยู่ก็เหมือนกันได้รับคำตักเตือนจากครูบาอาจารย์บ่อยๆก็เป็นเหตุให้ตื่นตัวบางทีจิตใจมันก็จมไปในอารมณ์ต่างๆอยู่พอได้รับคำตักเตือนันก็ตั้งสติตั้งใจได้ทำให้ ทำความเพียรละอารมณ์ต่างๆที่มันคล้องค้างอยู่ในจิตใจออกไปนี่เป็นธรรมดาของผู้ที่เพิ่งมาใหม่ในธรรมวินัยนี้แล้วเพิ่งมีศรัทธาเริ่มปฏิบัติไปไม่ว่าเครือข่าไม่ว่านักปวดก็ต้องอาศัยการสดับรัประฟังนี่แหละ การนำออกพฤตปฏิบัติด้วยการฟังด้วยเพราะจิตใจของคนเรามันถูกอวิชชาตันหาครอบงำซึ่งจะไปจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยรวดเร็วนั้นยากเพราะเหตุว่ากิเลสเหล่านั้นมันครอบงำทำให้จิตใจมืดมนจำอะไรก็ไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยการฟังบ่อยๆเมื่อได้รับคําตักเตือนบ่อยๆจิตมันตั้งได้พราะจิตตั้งได้มันก็จําคําสอนได้อมันก็รู้อย่างนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีระเบียบอย่างนี้มาตั้งแต่ขั้งพระ เ, เจ้านั่นตั้งแต่รั้งพระ เ, เจ้านั่น สามตระาถ้ากล่าวไว้ว่าตอนบ่ายนี่นะเทศนาสั่งสอนญาติโยมที่เขามาแต่ในเมืองในบ้านมาฟังกันก็ ม, มันมีทุกวันเลยที่วัดเทตณนารามเนี่ตกตอนเย็นลงตอนค่ำลงก็ให้โอวตารแก่ภิกษุสามเณร เมื่อถึเป็นกิจวัตรอย่างนั้นพระภิกษุสา ม, มนเณรได้รู้ระเบียบเหล่านี้แล้วเมื่อถึงเวลานั้นต่างคนต่างก็ไปรวมกันที่ศาลากา ร, รเรียนได้เวลาแล้วพระสัสด า, าก็สเสด็จไปประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้เริ่มพิจารณาธรรมที่ควรจ ะ, สะแสดงนั่น พระองค์เจ้าได้ทรงมีพยาณอย่างรู้สัพเเยธรรมทั้งหลายอย่างรู้นิสัยวาสนาของผู้ฟังควรจัดแสดงทำอะไรให้ฟังมันถึงจะถูกกับจริตของคนเหล่านั้นพระองค์กำหนดแล้ว็รู้ได้ว่าควรจะแสดงทำหมวดนี้เรื่องนี้คนเหล่านั้นฟังแล้วจะได้ชื่นสมยินดี จะได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามเพื่ออบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นแล้ว<ม>พระองค์ก็แสดงคำที่กำหนดรู้นั้นบาริภาษาวกธรรมดาไม่สามารถที่จะรู้อัธยาศัยใจคอวัฒนาบารมีของผู้ฟังก็เดาเอ า, อางั้นแหละนึก ทบทวนเอาเดาเอาอสมควรอย่างไรก็สอนกันไปว่ากันไปนี่เพราะฉะนั้นน่ะมันจึงจะให้มันเหมือนแต่ครั้งพุทธกาลนั้นทุกอย่างไปไม่เหมือนแต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าผู้ฟังเน่ะก็อย่าประมาทเพราะธรรมะนั่นเป็นของเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ว่าจิตใจที่ถูกอวิชชาตัญหาครอบงำมันระลึกไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพอได้มาฟังท่านหยิบยกมาแสดงให้ฟังจึงระลึกขึ้นมาได้นี่ถ้าเป็นเหตุให้ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้แหละ ดังนั้นทุกครให้ตื่นตัวว่าในจิตใจของเราเนี่ยยังมีอวิชชาตันหาหุ้มห่ออยู่จำเป็นที่เราจะต้องฝึกตนเรื่อยๆไปเพื่อกาจัดอวิชชาตันหาเหล่านี้ให้โนยเบาบางหรือหมดไปจา ก, กจิตใจของตนเป็นครือหัสก็ยิ่งมีกิเลสหนาแน่นอยู่ในใจ ดังนั้นผู้ที่มาเห็นโทษของกิเลสแล้วเขาไม่ควรนิ่งนอนใจดังที่เคยแสดงมาแล้วนั่นแหละกิเลสทั้งหลายมันจะบรรเทาเบาบางไปได้าะอาศัยบุญกุศลที่ตนกระทาบำเพ็ญมาสนับสนุนให้จิตมีกำลังเข้มแข็งสามารถกำหนดละกิเลสเหล่านั้นได้ ที่มันละกิเลสไม่ได้นั่นเพราะเหตุว่ามันไม่มีกำลังกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาก็ไม่มีอย่างนี้นะนมันจะเอาชนะกิเลสได้อย่างไรนั่นแหละการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่แหละได้ชื่อว่าเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูง ดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเราบำเพ็ญไปแล้วมันไม่เป็นบุญกุศลอย่างนี้ไม่ถูกเห็นอย่างนั้นไม่ถูกก็เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่คำว่าบุญเป็นเครื่องชำระใจที่เศร้าหมองให้ข่องใสให้เกิดปิติความเอิ้ออิ่มในใจเมื่อบุคคลทำความดี คำกุศลแปลว่าความฉลาดหรือแปลว่าตัดเสียซึ่งกิเลสอุปาทานกุศลนั่นสูงกว่ามุนให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นอย่างว่าบุคคลรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้นะเมื่อ น, นั่งสมาธิภาวนาไปมานึกคำหนึ่งถึงศีลที่ตนได้รักษามา เห็นว่าบริสุทธิ์ดีไม่ดงังไม่พลอยก็เกิดปีติตเ อ, อิบอิ่มในศินทั้งนี้ก็เพราะมองเห็นว่าน้อยคนนักที่จะรักษาสินได้ส่วนมากมีแต่ละเมิดข้อศินรักษาได้แต่ข้อที่ไม่จำเป็นที่ตนไม่ทำเท่านั้นละที่ตนไม่ได้ทำแต่ถ้าสินข้อไหนมันไปขัดต่อการกระทำ ของส่วนที่ตนเคยชินมาอย่างนี้รักษาไม่ได้อต้องยกไว้ต้องล่วงคนส่วนมากเป็อย่างนั้นเช่นอย่างการดื่มเหล้ามาสุราอย่างนี้นะบ <c oughs> ุคคลเคยดื่มเคยติดมาแล้ว <c oughs> เป็นธรรมดามาอย่างนี้นะ <c oughs> มันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามที่ พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ได้เพราะมันติดมันชินมาซะแล้วก็ล่วงกันไปอย่างนั้นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้อันจิตใจที่มันอ่อนแอมันไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วมันเอาชนะกิเลสเหล่านั้นไม่ได้จริงๆเนะเคยทำยังไงมาเคยทำบาปอย่างนั้นมาก็ทำไปอย่างนั้นแหละมัน ม, มีกำลังใจจะมาละกิเลสเหล่านั้นได้ ทันเมื่อเรามารักษาสินในบริสุทธิ์เข้าไปแล้วอย่างนี้เกิดปิติปาะโมดในสินคมจิตนั่นลงไปจิตสงบเป็นสมาธมิเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิก็หยิบยกเรื่องติดสุรายาเมาสามวาิจารณาด้วยปัญญาแับนี้นะเพราะว่าแม่บุคคลรักมันได้อย่างนี้ บางทีมันอาจหวนกลับชอบใจไปดื่มมันอีกก็ได้เพราะมันไม่แน่นอนเลยอาจิตของบุตุชนนี่นะแบบนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของการซ่องเสพของมืนเมาจริงๆเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อปัญญามันเห็นแจ้งประจักษ์ว่าการซ่องเสพของมืนเมานี่มันให้โทษจริงๆ ให้โทษทั้งปัตตนเองและให้โทษทั้งผู้อื่นให้โทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอีกด้วยอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นแจ้งโดยปัญญายอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายในการท่องเสพของมึนเมานนั่นโคทนไม่ต้องการความทุกข์ใครๆก็ไม่ต้องการเมื่อไม่ต้องการอย่างนี้แล้วยังไปเอา ยังไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดมีแก่ตนอย่างนี้มันก็ไม่ถูกจุดประสงค์ของตนปัญญาเมื่อมันมองเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายตอกรรมมันชั่วเหล่านั้นสามารถละมันได้นี่แหละกำลังของสินนะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทรงให้ จิตใจแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ถ้าศีลไม่มีกำลังไม่รักษาศีลไม่สำรวมในศีลจิตใจก็ไม่มีกำลังแห่งคุณงามความดีจิตใจมันก็ตกไปในอารมณ์อันชั่วร้ายบาปประทรรมต่างๆเช่นนี้แล้วจะมาทำใจให้ สงบเป็นสมาธิลงไปอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจฉะนั้นผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเห็นโทษแห่งกรรมมันชั่วมันจะนำตัวไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตนหลังนี้แล้วก็สมควรที่จะใช้ปัญญาสอนใจของตนให้ละกรรมชั่ว เหล่านั้นให้เด็ดขาดลงไปเมื่อละมันแล้วก็อย่า ก, กลับไปส่้งเสพมันต่อไปอีกตายเป็นตายอย่างนี้สละชีวิตบูชาคุณพระรัตนกรเสียแล้วความจริงมันไม่ถึงตายหรอกเมื่อบุคคลใจถึงแล้วสละมันลงไปแล้วอย่างนี้ถ้าไม่หมดปุญวาสนาหุนหลังก็ไม่ตาย แถมยังให้มีกำลังวังชาดีขึ้นมาอีกด้วยผู้ได้เว้นของเสพติดได้นะนับแต่บุรีเป็นต้นไปผู้ได้เว้นได้มันก็สุขภาพของร่างกายมันก็ดีเมื่อมันดีอยู่แล้วมันก็ดีเลยไปไม่ก่อให้เกิดโครคภัยอันร้ายแรงในอวัยวะภายในทำให้มีอายุ ยังเยินนานสืบต่อไปได้ประกอบคุสนคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นโดยลำดับถ้าหากว่าผู้ใดติดของเสพติดต่อ น, นี้แล้วนานไปออร่างกาย อ, าอยาวัยวะภายในนั้นก็สำรุดทุดโทมเพราะว่าควันบุหรี่เนี่ยมันกุ้มเข้าไปอยู่ในตับในปอด ของบุคคลผู้สู่เข้าไปนะควันบุหรี่เนี่ยมันมีพิษหมอเขาวิจัยแล้วนันเนี่ยเกี่ยวกับเขาผสมเคมีบางสิ่งบางอย่างเราก็จำชื่อของเคมีอันนั้นไม่ได้เพื่อให้ยานั้นฉุนแล้วมีรสมีชาติอย่างนี้นะหมอพวกแฟทเขาอธิบายดีจริงๆแหละเรื่องหมูนี่นะ เขาอธิบายชัดแจ้งเลยแต่คนผู้ตกเป็นทาสของอวิชชาตนาแล้ว ม, มันไม่ฟังซ้ำไปเลยเขาวรรณยายในวิทยุในโทรทัศน์ก็ดีไม่ไม่สนใจที่จะฟังซ้ำมันมันชอบใจนี่มันชอบจู่ไดของมืนมองนั่ะไม่ฟังแล้วผู้ใดนี่มีปัญญาสักหน่อย แม้ตนติดอยู่นี่ก็ยอมฟังฟังเหตุผลที่เขาบรรยายเมื่อเหตุผลของบรรยายมันเจ็บแจ้งชัดเจนดีแล้วเออนี่มาให้โทษจริงๆอย่างนี้นะมันก็ละได้เขาด้น ะ, ะมันก็ละของเสพติดให้โทษที่ตนเคยติดมันมางอมเงียวงอมเงมมันก็ติดได้อ่ามันก็ละได้มันไปอย่างนี้แหละ แม้กิเลสอยงางอื่นก็เหมือนกันนะเมื่ออบรมปัญญาให้เกิดจากสมาธิแล้วหยิบยกเอากิเลสอันใดที่ใจมันยึดถือโยมาวิจัยมาพิจารณาเช่นนี้นะมันก็ย่อมเห็นโทษของกิเลสนั้นได้เต็มที่เพราะปัญญาที่เกิดจากสมาธินี่มันแจ่มแจ้งจริงๆนะ มันเป็นเหตุได้รู้เรื่องเราของจิตหรือว่ากิริยาจิตที่มันหมุนไปตามอำนาจของกิเลสอะไรบ้างปัญญามันตามรู้ํามเห็นทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนี้ถ้าปัญญาธรรมดาอันปัญญาที่เกิดจากการเรียนการจำหมู่นี่นี่มันไม่มีกำลังพอ ที่จะมาเห็นโทษของเสพติดในโทษต่าง ๆ, ๆหมู่นั้นได้เพราะฉะนั้นคนผู้ท่องเสพของมึนเมาต่าง ๆ, ๆไอ้พวกที่ไม่ได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาแล้วมันจึงออกไม่ได้เลยมันจึงไม่เห็นโทษของมั น, มนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้ ยินได้ฟังธรรมะที่แสดงให้ฟังเรื่องของเสพติดนี้แล้วควรเอาไปคิดไปพิจารณาเพราะว่ามันเมื่อเมื่อผู้ใดติดผู้ใดชอบใจกับมันท่องเสพมันแล้วมันทำพิษให้แก่ร่างกายจิตใจของตนเองทำให้อายุสั้นไม่สมควรตายก็าตายอย่างนี้นะดังนั้นเหละควรรักตัว กลัวต่อความทุกข์ที่จะตามสนองตนต่อไปความรักตัวนะเหมยความว่าสิ่งใดที่มันพิษเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายจิตใจแล้วก็ไม่สะสมมันไว้อย่างนี้จึิงนี่ว่ารักตัวคนรักตัวซึ่งประกอบไปด้วยกิเลสตัณหานั่นมันไม่เป็นอย่างนี้นะ สิ่งใดที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายมันยิ่งเอามาใส่ยิ่งพอใจบริโภคอย่างนี้แหละบางคนดื่มเหล้าเมาจนไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยอย่างนี้เมั่ได้ถูกคู่อริมันรู้เข้าว่าไอ้นี่มันหมดกำลังแล้วแบบฆ่าเสียให้ตายอย่างนี้นะก็ตายฟรีไปเลย ถ้าไม่เมานั้นเขาก็ไม่กล้าทำเขามีสติอยู่คอยรักษาตัวอยู่อย่างนี้นะไอ้พวกที่เมาแล้วถูกเขาฆ่าตายได้มีเยอะแยะเลยหรือไม่ฉะนั้นตนเมาแล้วก็ไปฆ่ามิตรสหายที่สนิทสนมกันให้ตายลงทันทีก็ได้เนี่ยความเมาความไม่รู้สึกตัวมันเป็นเหตุให้ทํากรรมอันไร้กาศ นานาประการเลยทีเดียวทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็เกิดจากคนเราไม่รู้สึกตัวนี่นะไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าทำอย่างไรตนถึงจะมีความสุขตนทำอย่างไรมันจึงเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษไม่ได้คิดเลยเรื่องโมนี่นะอยู่ไปตามยถากรรม ถุดแล้วตะกีเลศตัณหามันจะบัญชาอย่างไรก็ไปตามมันอย่างนั้ น, นเหตุที่ชีวิตของบุคคลพวกนั้นจะสั้นลงไปจะประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะเนี่ยที่ให้เห็นว่าการไม่สนใจในการฝึกฝนกายวาจาใจของตนให้ตรงสอบพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี่นะ มันให้โทษมากมากากกองมันนำไปสู่นรกอวัยภูมิกิเลตสต่างๆเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นผู้ใดได้สดึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปยอมรุกอำนาจต่อกีิเลสตัณหาหลังกล่าวมานั้นตัณหามันบันดาลให้ฆ่าสัตว์ให้รักทรัพย์กระฤพิผิดในกาม กล่ามมุสาวาดดื่มสุราเมลัยกัญชายาฟินเฮโรอีนเนี่ตัณหารเรานี่มันมีอวิชชาเป็นเพื่อนอวิชชามันกระชิบบอกแล้วว่าของเรานี้นะมันทำให้เกิดความสนุกสุขสบายดีบริโภคเข้าไปแล้วรื่นเริงบันเทิงไม่มีทุกข์มีร้อนถ้าผู้ใดมีทุกข์มีร้อนยุ่งยากมาแต่ มาเรือนพอได้ไปเข้าสู่ที่ท่องเสพของมืนเมาได้เสพของแล้ ว, ลวเข้าไปแล้วเมาแล้วก็ลืมทุกข์ลืมยากไปไอ้ผู้ที่ต้องการอยากจะให้คนอื่นติดสองเสพติดเหมือนสรงกับบรรยายชักแม่นำ้ำทั้งห้ามาให้ฟังคนผู้ขาดปัญญาขาดเหตุขาดผลก็หลงไปเชื่อกเขา เชื่อเขาแล้วก็เขาเอาให้ดื่มให้กินก็ดื่มกินไปอย่างนี้แหละทีแรกมันกสกะสุกสนานจริงแหละเมื่อน า, นานมามันติดแล้วนะวันนี้เมื่อมันติดแล้วถึงเวลาแล้วมันต้องหิว อ, อย่างนี้แหละทีนี้เมื่อตอนไม่มีเงินจะซื้อเอาแล้วเดือดร้อนแล้วบนี้ มันหิวเข้ามาทําให้กระมวลกระวายยิ่งกว่าหิวข้าวซ้มไปเลยใครมาขัดขวางกดทกบตีด่าว่าหรือทําร้ายร่างกายคนอืน่นใครเมื่อเราผู้ใดรู้ว่าคนนั้นหิวของเสพติดเราอย่าไปแตะต้องมันเลยควนรู้ตัวหาทางหลีกเว้นอย่างนั้นถึงจะไม่เจ็บตัวหรือไม่ตายโหง ถ้าไปขืนต่อว่าต่อขานคนหิวของเสพติดอะไนั้นเข้าไปแล้วไม่นานนะ่ะได้เห็นได้เรื่องเลยเนี่ยมันต้องรู้ไว้คนเราเนะ่ะในเมื่อเราไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปห้ามพรามเขาได้อย่างนี้เราก็หลีกเลี่ยงเสีย เ, เป็นไงก็เป็นตามเรื่องของเขาแหละเขาที่เป็นไงก็เรื่องของเขาถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เลี้ยงใหญ่มาแล้วงัน แต่ดีมันก็ดีเองมันมันไม่ดีก็ไม่ดีเพราะว่าคนบรรลุนี่ตีภาวะไปแล้วมันสอนไม่ได้หรอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็หลีกเลี่ยงเอาตัวรอดไม่ยัางนั้นถูกฆ่าตายมีอยู่เยอะๆสมัยทุกวันนี้น่ะเพราะฉะนั้นจึงขอตักเตือนผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องไว้ในที่นี้เลยว่าคนพวกนี้เป็นคนเดินตาย มันไม่กลัวตายแล้วมันไม่กลัวทุกข์กลัวตารางกลัวนรกอบอายภโผอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนะี่ยผู้ใดยังกลัวต่อทุกข์ภายในสงสารอยู่ยังปรารถนาจะสร้างบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าไปอยู่แล้วต้องเว้นพวกเหล่านี้อย่าไปใกล้มันเลยอันนี้แหละ มันก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งนะนี่นะนี่คนที่ไม่รู้อย่างว่านี่นะเรียว่าลูกของตนลูกผัวของตนเมียของซนบอกเพื่อนของตนบอกอย่างเงี้ยยื่นมือเข้าไปไปเจอดีเข้าให้เลยอย่างนี้มันก็นับว่าขาดทุนนะตายฟรีถ้ามันตายก็ดีโดยที่ไม่สมควรจะตายก็มาตายเพราะไม่รู้แจ้งไม่รู้เหตุผลเรื่องนี้อ เอาตัวถลําเข้าไปบางคนหเห็นเขาเออทุบตีกันเห็นเขาจะยิงกันอย่างนี้ตนกุบสงสารเขาหลายวิ่งเข้าไปฝ่าไปห้ามเขาอย่างนี้ในเวลานั้นเขามันหน้ามืดอพอแรงนั้นไม่รู้ว่าใครมาผ่านหน้ามันว่ากันไปเลยก็ตายฟรีโมนี่ก็มีอยู่สมไปเพราะฉะนั้นจึงอยากจะัจ ก, จกเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ โบราณท่านยึงกล่าวไว้ว่าเห็นเขาหามหมูอย่าเอาไม่คานไปสอดโบราณท่านว่าเินปิติหนาไว้อย่างนั้นนะไอคนที่ไม่ใส่ใจเรื่องคำคติโบราณก็ไ ม, ไม่ไม่สนใจไม่คิดไม่อ่านแต่คิดมันก็รู้ได้ไม่เหลือวิสัยเหมือนกับว่าเมื่อเห็นเขาทะเลาะีว่ากันอยู่ยนี่นะ ตนอย่าไปยืดมือเข้าไปเขาเว้นเสียแต่ว่าเขาทะเลาะวิวาทกันด้วยวาา่าจ้าไม่รุนแรงเท่าไรอย่างนี้เราไปไกลเกลี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าหลงว่าต่างคนมีอาวุธระยาเลยอย่าไปใกล้เลยเอา้ามันจะตายใครจะตายใครจะยังก็แล้วแต่เรื่องเขาเพราะเขาสมกรกายอย่างนั้นเราก็วางอุเบกขาลง อันนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีพรโมวิหารสี่อยู่ในใจไอ้ผู้ไม่รู้อย่างว่านี่เนะ่ยมันก็ปรงไม่ลงอ่ะทันหลําเข้าไปเล่นงานกับเขาอก็เจ็บตัวเพราะเฝ้าอย่างนี้นะถ้ารู้ธรรมะอย่างว่านี่น่ะเออกรรมของสัตว์นะเราก็ช่วยไม่ได้แล้วกรรมของสัตว์มาถึงแล้วแต่ก่อนเขาคงเคยเบียดเวียนกันมาผูกเวีนกันมา อย่างนี้เราก็วางอุเบกขาเลยมาเนี่ยเช่นนี้แล้วเราก็ปลอดภัยก็ไม่มีส่วนอะไรกับคนเหล่านั้นเลยนี่มันขาดพรหมวิหารไม่ได้เจริญถึงสี่อย่างคนเราเน่ะถ้าเมื่อเจริญไม่ถึงสี่อย่างนี่มันย่อมขาดตกบกห้่องแน่นอนอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมานี่แหละ เมตตาอยากให้เขาเป็นสุขอยากจะให้เขาพ้นจากภัยอันต ร, รายอย่างนี้นะตนด้ยไม่ได้คิดไม่ยยับยัง้งใจคิดว่าถ้าเราไปช่วยเหลือนี่มันจะมีภัยอันตรายอย่างไรหนองนี่ไม่ได้คิดอะไรนั่นเรียกว่ามันมีแต่เมตตามันขาดปัญญาอย่างนี้แหละยเรา อีกอย่างหนึง่งมันก็มันไม่นึกถึงกรรมวิบาตของคนมันจึงวางอุเบกขาลงไม่ได้ถ้าผู้ที่มีเหตุผลอย่างว่านี่มันจะเป็นใครก็ตามเป็นลูกของรงก็ตามเป็นพวเป็นเมียของใครก็ช่างเลยในเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่ามันเหลือวิสัยที่จะช่วยเหลือแล้วก็วางอุเบกขาลงโยนให้กรรมของเขา สนองไปตามเรื่องของเขาเสียใอ้อย่างนี้เราก็ปลอดภัยอเนี่ยเพราะฉะนั้นยังว่าคุณธรรมนี่นะเราต้องสร้างขึ้นในใจให้มากไว้อย่าไปปล่อยให้จิตนี้ว่างจากคุณธรรมอันจิตที่จะเป็นสมาธิอยู่ได้เรื่อยไปทั้งกลางวันกลางคืน ก็เพราะมีคุณธรรมห้อมล้อมจิตใจอยู่จิตจิตนั้นมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่จึงรักษาสมาธิไว้ได้ขอยให้พาเข้าใจก็เมื่อใครมายั่วให้โกรธอย่างนี้นะเอาเมตตาทำโผล่ขึ้นในใจแลอย่างนี้มันก็ไม่โกรธตอบเลยให้อภัยเขาไปอย่างนี้นะ เนี่ยจึงเรียกว่าผู้มีคุณธรรมผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจในเรื่องการป้องกันมาให้จิตใจเกิดสร้างความโกรธขึ้นมาเขาตัวเองและคนอื่นให้เดือดร้อนทีนี้ผู้ที่ราคะจริตรักสวยรักงาม อย่างนี้ถ้ามันเจริญอตุภะสัญญาจำเรื่องซากศพที่ตายแล้ววันนั้นไว้ในใจเพ่งจนเกิดอุคานิมิตจนติดตาติดใจอยู่เรื่องอตุภะความโศโครสุขภก ข, ของร่างกายทั้งฐาน ที่ปราศจากวิญญาณแล้วมันก็มีแต่เน่าแต่เปื่อยนีแต่น้ำเหลืองไหลถ้าได้เคยเจริญบ่อยๆเข้าเงี้ยถ้ามีเรื่องที่มายั่วยวนชวนให้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาในรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นก็นึกถึงอตุภะสัญญาอันนั้นขึ้นมาได้อสุภนั้นปรากฏในใจ เห็นรูปต่างๆเหล่านั้นเป็นของเน่าของเผื่อยผุพังไปแม่รูปที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่นี่ที่เราปองรักปองปองใคร่อยู่เนี่มันก็เหมือนกับรูปที่ตายไปแล้วเน่าเผื่อยผุพังไปเหมือนกันไม่แตกต่างกันในเมื่อจิตวิญญาณละออกจากร่างนี้แล้ว หรือเมื่อเวลาจิตวิญญายังไม่ละจากร่างอันนี้มันก็โศโครกอยู่แล้วเราต้องเข่งดูภายในอย่าไปดูแต่ผิวนอกอย่างเดียวถ้าผิวนอกนั้นของว่าอาบน้ำชำระขัดคลยทุกวันทุกคืนไปอย่างนี้มันก็สะอาดสะอ้านไปแหละแต่ถ้าหากว่าลองไม่งดลองไม่อาบน้าลองดูสิสักเจ็ดวันนะ่ะร่างกายผิวผ่านอนนี้คล้าเข้าไปเลย ทรงกลินอีกซ้ําเป็นไรอย่างนี้นะเ อ, อมันเพ่งเพ่งมันพิจารณาอสตุภักรรมาฐานจนชำนิชํานาญพอมาชำนิชํานาญแล้วอย่างนี้เวลาเรื่องเช่นนั้นเกิดมายื่อจิตใจจะให้เกิดความรักความใกล้มันก็ไม่ทันได้เกิดอาตุภักขสัญญามันก็ปรากฏขึ้นในใจทันทีคื อ, อามันนึกได้ทันทีเฮ้ยรูปนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้ คอนึกอย่างนี้่อะอาุภสัญญาน่นก็ปรากฏขึ้นมาจิตใจมันก็ระ ง, งับจากความรักความใคร่เหล่านั้นนี่ให้พากันพิจารณานี่สำหรับผู้ที่เห็นโทษแห่งความรักความใคร่จะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคารืหัดก็ตามก็ต้องจเจริญอาตุภะสัญญานี่แหละเรื่อยไป ให้ผู้ที่ไม่เห็นโทษข่งความรักความใครมันก็ยกไว้แล้วแต่เรื่องเขาอันนั้นนะเมื่ออินทรีย์เขาแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันมันก็บรรดนบันดาลให้เห็นโทษของความรักความใครนั่นไปเอง <c oughs> ยังว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากวาสนาบา ร, รมีของบุคคลให้เข้าใจผู้ใดมีบุญกุศลมากๆเข้าไปเท่าไรแล้ว มันไม่นเนี่ให้เบื่อนายต่อความรักของใครเมื่อนายต่อความร่ำรวยเมื่งมีเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรโมนี่คนมีบุญมากๆกาไปเลยมันเบื่อทั้งนี้เพราะอะไรนะเพราะบุญนั่นน่ะมันบันดาลให้เกิดปัญญามองเห็นว่าการแสวงหาทรัพย์สมบัติโมนี้ล้วนจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วเป็นภัยซะด้วย ต่างคนต่างแสวงหาบัณฑิตไปกระทบกระทั่งกันเข้าเดี๋ยวก็ผูกอาฆาตกันแก้แค้นกันบางคนเลยไม่ได้บริโภคสมบัติอันตนหามาเป็นกองกองนั้นซ้ำเลยตายหงไปเยอะแยะมันนี้นะนี่แหละไอ้ผู้ที่มาเห็นโทษแห่งความรักความใคร่ด้วยปัญญาอย่างว่านี่ว่ามันเป็นทุกข์ทนทรมานจริงๆอย่างนี้ พูดเช่นนั้นเนี่ยมันจะเจริญอสุภะกรรมฐานได้เลยเห็นสิ่งที่ตนรักตนใคร่นี่มันเต็มไปด้วยสิ่งโสกปรกโสโครกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีรูปร่างสันฐานก็ไม่น่ารักใครพอใจที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุพโลหิต เช่นมาเกิดนอนอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนสิบเดือนนี่นะนอนอยู่ในน้ําเหลืองน้ําเลือดอะไรแช่อยู่อย่างนั้นแหละหาความสะอาดไม่ได้เลยนี่ถ้าหากว่าไม่ไม่ได้พิจารณามันก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าตนมันนอนอยู่ในท้องแม่แนละ้มันสะอาดอยังไงมันไม่มีทางสะอาดเลย ไอ้รูปกายนี่มันจะเป็นธรมรมดายอย่างนี้นะถ้าหากว่ามันไปนอนอยู่ในที่แห้งแห้งนี่มันจะมันจะไม่มีชีวิตอยู่ได้เลยอืเหมือนกับต้นไม้เนี่ถ้าปลูกไใหม่นี่เมื่อขาดการรดน้ําใส่ปุ๋ยแล้วไม่ต้นนั้นจะหิ่วแห้งตายไปเสฉยๆรูปกายขอเรานี่เหมือนกันถ้าไม่ได้เป็นนอนแช่อยู่ในบุพโลหติตอย่างว่านั้นไม่มีอาหาร จากมารดาไปหล่อเลี้ยงไว้อย่างนี้ไม่เจริญได้เลยไ ม, ไม่เติบโตได้เลยอันนี้มารดารับประท า, านอาหารเข้าไปไปถ่ามันย่อยแล้วส่วนหนึ่งก็ไปเลี้ยงทารกอยู่ในครนส่วนหนึ่งก็เลี้ยงร่างกายของมารดาอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามารดาบิดาเนียมีคุณต่อลูกหาประมาณไม่ได้เพราะว่า ร่างกายที่ตอนอาศัยอยู่เนี่ยเป็นมระดก ข, ของมารดาบิดาแทๆ้ๆโดยมีมีบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้เกิดเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆแต่ว่าภาตที่บุญกรรมตกแต่งนี่อาศัยภาตของมารดาบิดาผสมกันเข้าทุกวันนี้มันยังมีคนมาตั้งศูนย์ รับคนไปอบรมให้เห็นว่าพ่อแม่ดีไม่สำคัญกับลูกเก้าเลยไม่มีคุณมีโนโ อ, อะไรเพียงแต่ว่าความผิดพลาดของพ่อแม่แล บ, บังเอิญบันดาลให้มีลูกเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองไอเด็กที่มันไม่มีปัญญาไม่มีความคิดจะเรียวฉลาดมันก็หลงเชื่อเขาไป เลยทิ้งพ่อทิ้งแม่แล้วไปอยู่กับศูนย์อบรมนนท์เขาพอมีก็ประมาณเลี้ยงหาอุบายเอาเงินจากเด็กๆที่ไปอบรมนั้นแหละเอาเงินเหล่านั้นไปแล้วก็ทาอาหารเลี้ยงคนเหล่านั้นเลี้ยงเด็กเหล่านั้นให้อยู่ดีกินดีมันก็ไม่หนีแล้วบ่อนี้นะอออย่างนี้การศึกษาเราเรียนก็อ่อนแอลงไปแล้วบ่อนี้ ถูกเขาไปล้างสมองเอา <c oughs> อย่างนี้นี่คนเราเนะ่ยมันเยียงว่านั่นแหละเมื่อไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันหลงจริงๆหลงเดินทางผิดไปเลยชีวิตนี้ดังนั้นมันถึงนา น, นทุกข์นั่นแหละคนเรานะ่ะเพราะมวัวจะไปเดินทางผิดอยู่กลัวจะเดินทางถูกได้ในเมื่อได้ เกิดไปบางชาติได้พบนักปราชบัณฑิตเข้าไปนักปราชถนบัณฑิตผู้เทิดทานเป็นสัมมาทิฐิมีปัญญาเห็นชอบท่านจึงชักจงูงแนะนำในทางที่ถูกเข้าไปก็มารู้สึกตัวได้มาดําเนินในทางที่ถูกไปก็จึงมีความสุขความเจริญขึ้นได้ นี่ชีวิตของปุถุชนคนธรรมดาสามัญเป็นอย่างนี้แหละมาในสงสารให้พึ่งพากันคิดพิจารณาสำหรับที่เราเกิดมาในชาตินี้รับว่าเป็นลาบอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นคนแล้วเป็นลาบอันประเสริฐอีมึงได้มามีศรัทธาเรื่อมใสในบวรพุทธศาสนา ได้สดับตรับยพังคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้จากทางผิดทางถูกด้วยตนเองขึ้นมาออย่างนี้นะนับว่าเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆถ้าบุคคลไม่รู้อย่างนี้ก็นับว่าได้รับความทุกข์ทนทรมานไปอย่างมหันทีเดียวแหละเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตเนี่ยซึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตของเราแต่ละคนถ้าตนไม่ฝึกจิตใจนี้แล้วไม่ทราบจะฝึกอะไรให้ดีขึ้นได้ฝึกกายฝึกวาจานี่ถ้าใจไม่พร้อมแล้วมันก็ดีไม่ได้นะ น, นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่กายวาจามันจะดีได้ ก็ต้องอาศัยการฝึกจิตนี่แหละให้ดีฝึกจิตนี่ให้สงบไพเระงับบางคนก็ว่าทำยังไงมันทำใจสงบไม่ได้เพราะามันได้อาศัยความเพียรหละความเพียรไม่ท้อถอยนะเพียรเพ่งกรรมฐานที่มันถูกกจัจจิิศของตนน่ะ กรรมฐานอันไหนมันถูกกับจริตของตนเนะี่ยเราก็เลือกเจริญดูสิพอเจริญกรรมฐานอันไหนรู้สึกว่าใจมันตื่นตัวขึ้นมาได้มันเกิดปีติมันเบิกบานขึ้นมานั่นแหละกรรมฐานอันนั้นแ่ละได้ชื่อว่าถูกกับจริตเราหมั่นเพ่งกรรมฐานนนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจไม่เพ่งไปในอารมณ์อื่นเรื่องอื่นอะไรเลย เพ่งจากรรมาฐานอันเดียวนั้นอย่างนี้เมื่อกรรมาฐานเราแล้วมันแจ่มแจ้งขึ้นในใจเราใจมันก็ค่อยสงบลงมันมันเห็นแจ้งสักขีพยานแล้วหมายก็ว่าอย่างนั้นเช่นอย่างว่าคนโทศาสตร์จริตอย่างนี้นะเรามาเพ่งเมตตาเป็นอารมณ์จนว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาว่าเออ บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายนี่มันก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นนั่นแหละทั้งคนดีทั้งคนชั่วทั้งสัตว์ดีสัตว์ชั่วอะไรที่เกิดมาในโลกนี้นะต้องการความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันกับตัวของเราเองนี่แหละอย่างนี้นะเพ่งเข้าไปจนมันเกิดความรู้ความเมออยตาหนี้ขึ้น มาแล้วอย่างนี้ความโกรธมันก็เบาบางลงอะการให้อภัยต่อผู้ผิดทั้งหลายมันก็ให้อภัยกันไปได้เวีนภัยทั้งหลายก็ั่งับลงเออย่างนี้นะดั น, นั้นการเพ่งกรรมฐานคือเมตตากรุณานี่ให้แก่แจ้งเงินในใจมันถูกกับจริตของคนโทสะจริตเป็นอย่างนั้น คนราคะจริตอย่างนี้เราเพ่งอสุภ์สัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนะเป็นอารมณ์อยู่ม้อยบ่อ ย, อยไม่ประมาทอย่างนี้เมื่ออสุภาสัญญานะั้นมันเกิดขึ้นในจิตแจม่มแจ้งขึ้นมาแล้วที่จิตมันเคยกำหนดยินดีในรูปเสียงเหล่านั้นมาแต่ของก็คลายออกบรรดารูปทั้งหลายเนี่ย ที่เกิดด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่จึงเป็นอยู่ได้อย่างนี้ไม่ล้วนแต่โสกโปกโสมมทั้งนั้นเลยเพราะอาหารที่หล่อเลี้ยงนั้นใครๆก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าโสกโปกนี้แต่มันจำเป็นร่างกายนี้มันต้องอาศัยอาหารเช่นนั้นมันถึงเป็นอยู่ไปได้ถ้าไปเอาของแห้งแห้งแข็งแข็งอะไร ไปบริโภคเข้าไปเนี่ยไฟธาตุมันย่อยไม่ไหวมันมันชีวิตมันก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะร่างกายที่จะมันจะเป็นปังอยู่ได้มันจะมีกําลังเลี้ยวแรงอ้วนท้วนอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าอาหารที่หล่อเลี้ยงนี่มันมันลอ่อนละเอียดเมื่อฟันเคี้ยวเข้าไปแล้วเกินเข้าไปได้กระเพาะแล้วไฟธาตุย่อย กันเอาเส้นน้ำออของอาหารนั่นอันละเอียดที่มันเป็นน้ำองไปแล้วนั่น อ, นนนอะไรวันนี้ก็มีธาตุไฟนั่นส่งเข้าไปตามเส้นต่างๆของร่างกายอาหารนั่นก็ซึมซาบเข้าไปในร่างกายนี่จึงค่อยทําร่างกายนี้ให้ตึงอยู่ตลอดไปได้ไม่เหี่ยวลงนี่นะ มันเป็นอย่างนี้สาเหตุที่คนเราจะต้องบริโภคอาหารอันสกปรกอันเหลวอืมนั่นน่ะดังนั้นนะร่างกายนี่เมื่ออาหารมันสกปรกแล้ววันนี้จะให้ร่างกายนี่มันสะอาดทั้งภายนอกภายในมันจะได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าภายในเมื่อ บ, บริโภคเข้าไปแล้ว ไอ้น้ำย่อยอาหารเนี่ยมันมันไปหล่อเลี้ยงร่างกายเข้าไปมันบนดอายุของมันแล้วมันก็เป็นเหงือเป็นไข่เป็นเนื้อลายเน้อมูกออกมาเป็นปัสสาวะอุจจาระออกมา อ, อย่างนี้แล้วก็ต้องเอาอาหารใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงเข้าไปอีกอย่างนี้แหละมันถึงเป็นอยู่ได้ร่างกายอันนี้นะของเก่าถ่ายเทออกไปเอาของใหม่เข้าใส่ไป ถ้าพูดอย่างเปรียบเทียบกับเครื่องจักรเครื่องยนต์นกลไกแล้วไม่ผิดกันเลยเครื่องยนต์นกลไกทั้งหลายก็อาศัยน้ำมันนะรอเลี้ยงรอรื่นอยู่อย่างนั้นอาศัยน้ำมันให้เกิดความร้อนอยู่ยนั้นมันถึงหมุนไปได้เด่ยเรียกว่าเครื่องจกเครื่องยนต์ทั้งหลายนี่ต้องประกอบไปได้วยธาตุสี่นะดินน้ำไฟลมพร้อมหมูลบริบูรณ์ มันนึ่งหมูนทำงานไปได้ร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้รู้ให้มันเห็นชัดลงไปอย่างนี้นมันจะได้คลายความรักความชัง่งความกามหนัดยินดีในรูปกายอันนี้ลง มันจะทำให้จิตใจนี่สงบลั ง, งับอยู่เป็นปกติได้จริงนะถ้าความรักความชังอะไรสงบระ ง, งับลงไปแล้วจิตนี้เป็นปกติอยู่จริงๆมีความรู้สึกเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทา ง, ทางลิ้นทางกาย ส่งเข้าไปถึงจิตใจใจก็รู้สึกเฉยเป็นอุบเบกขาอยู่อย่างนั้นเพราะที่มันเป็นอุบเบกขาอยู่ในพร้อมพิจารณาเห็นแล้วนี่ว่ า, ารูป ก, กายอันนี้ไม่น่ารักไม่น่าชังไม่น่าเกลียดอะไรเลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องวางเฉยใจมันฉลาดมันมีปัญญานะ่ยมันรู้เห็นอย่างนี้แล้วมันถึงได้วางเฉยลงไป อันนี้หละการภาวนาการเจริญสมถะกรรมฐานนะเราก็เพ่งกรรมฐานลงไปจนว่ามันเห็นแจ้งในกรรมฐานนะ้วจิตมันวางอารมณ์อันนั้นลงแล้วมันก็สงบรวมลงเป็นหนึ่งได้นี่นะปอยพากันเข้าใจบางคนกวัดจิตมันไม่รวมมันไม่ลงอย่างนี้ มันลงไม่ได้เพราะเมื่อมันไม่เห็นกรรมฐานโดยแจมแจ้งให้เข้าใจเมื่อกรรมฐานแจมแจ้งขึ้นในใจแล้วแน่นอนนะมันลงเลยเดี๋ยวเมื่ออสุภากรรมฐานมันแจมแจ้งขึ้นในใจแล้วความกำหนัดยิดีทั้งหลายที่มันครอบงำ จ, จิตใจแต่กวามก็คลายออกจิตใจก็คลายควอมกำหนัดนั้นออกไปอย่างนี้นะ เมื่อเมื่อจิตคลายฟองกําหนัญยิน ด, ดีออกไปแล้วเรื่องอื่นไม่มีเพราะกิเลสมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันทีเดียวทั้งสองอย่างไม่ไม่ได้เมื่ออย่างไดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนั้นแหละทำจิตให้โผนฝันเมื่อเพ่งพิจารณากิเลสเหล่านั้นละ ง, งับลงไปแล้วอย่างนี้นี่จิตมันก็รวมลงแล้วไม่มีกิเลสอื่นจะแทรกแตงเข้ามาอืมในขนาดนั้นนะมันเป็นอย่างนั้น ผิดก็รวมลงเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องได้คมขีให้ลำบากอันนี้นะขอให้พากันปฏิบัติตามนี้เลยอย่าไปท้อถอยเรามีความเพียนเพ่งอยู่ในใจนี่นะสำคัญมากนะให้เข้าใจถ้าไม่เพียนเพ่งพินิจอยู่ภายในบ่อยสติมันก็เลื่อนลอยแล้วมันก็ ล, ลึกไปในอารมณ์อื่นอนื่นนู่นแบบนี้ จิตใจมันก็ส่งไปตามสติที่ระลึกไปนั่นแหละเกิดความยินดีบ้างยินร้ายบ้างเสียใจบ้างอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นนี่ลองให้เห็นโทษแห่งความไม่เพ่งพินิษฐอยู่ภายในเนนะี่ยโทษที่ปล่อยจิตใจปล่อยสติความระลึกให้แล่นไปตามอารมณ์่างสังนี้นะนี่มันแล้วเราจะมาภาวนาโน้มใจให้สงบพังงับลงไป อย่างนี้นะมันจะไปสงบได้ง่ายยังไงอะ่ะเพราะว่าอยู่ปกติแล้วธรรมดาแล้วปล่อยให้มันไปเกาะไปคล้องอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักน่าชัางภายนอกนู่นอย่างนี้แตาพอมานั่งภาวนานแล้วจึงจะโน้มน้าวจิตใจนั้นให้สงบลงมันสงบลงไม่ได้เพราะว่าเราไปสร้างกิเลสเหล่านั้นขึ้นได้จิตใจแล้วกิเลสเหล่านั้นมีอิทธิพลแล้วพอเริ่มวัชระมันมันก็สู้แล้วแานี้นะ ตัวเองกำลังอ่อ น, นก็สู้มันไม่ได้จิตใจก็เลื่อนลอยไปเหมือนเดิมนั่นแหละอย่างนี้นะให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการภาวนาเนี่ยจึงเป็นอาการลิโกไม่อ้างการอ้างเวลากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าหละมีสติสํารวมจิตใจอยู่อย่างนั้นใจที่เรา ทำให้สงบให้ตั้งมั่นต่อบุญต่กุศลใจที่เราชําระบาปออกไปแล้วอย่างว่านั่นเนี่ยบันดนี้เราก็มีสติประคองใจที่ไม่มีบาปนั่นะไว้อ ม, มันจะ ก, กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามช่างแหละเรามีสติะระลึกตรวจดูดจิตใจอันนั้นอยู่เสมอไปให้มีสติประคองอยู่อย่างนั้น เว้นเสียจะมีธุระจาเป็นที่จะต้องคิดอ่านการงานก็คิดไปแต่ไม่ลืมจิตคิดไปก็ไม่ลืมจิตเมื่อเสร็จธุระในภายนอกแล้วก็มีสติระลึกเข้ามาในใจิตใจมีสติประคองจิตรักษาสมาธิอันนั้นไว้เลยไปเมื่อเมื่อสมาธิ มันมีอยู่งั้นเรื่อยไปแล้วปัญญามันก็มีอยู่ประจําอยู่นั้นพร้อมที่จะพิจารณาเหตุผลต่างๆที่บังเกิดขึ้นมาเฉพาะหน้านั่นนะพร้อมอยู่เสมอเลยปัญญาแบบนี้นะอะ่นี่แหละช่ง ว, ว่าสมาธิเนี่ยเป็นแกนกลางนะเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไปทันกับกองหลวงความหลงยังไงเล่า กลางคืนหมดจึงค่อยนั่งภาวนาทําใจให้สงบถ้ากลางวันแล้วอย่างนี้นะใจเราฟุ้งไปทั่วสํารวมระวังควบคุมจิตไม่ได้อย่างนี้เมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบกระทั่งเขามมันก็ปลิวไปตามเรื่องนั้ น, น, นเลยวันไหวไปเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ความแล้วการปฏิบัติธรรมการเจริญสมถะที่ปรินาเลยไม่ได้ผลเลย นี่ให้คาคนเข้าใจกลางคืนเราฝึกใจให้สงบเยือกเย็นยังไงมีสติประคองจิตไว้ยังไงเมื่อกลางวันมาเราก็ประคองจิตใจไว้อย่างนั้นแหละโดยเฉพาะเป็นนักบวช ย, ยิ่งมีการสำมรวมตนได้เป็นอย่างดีเลยเพราะเหตุว่าไม่ค่อยมีการงานอันร้ายแรงอันหนักหนาอะไรที่จะต้องคิดที่จะต้องทำ ดังนั้นเราจรึงต้องมีโอกาสที่จะได้สำรวมจิตเพ่งจิตเพ่งกรรมฐานอันถูกกับจริตของตอนนั้นได้เสมอไปดังะนั้นขออย่าให้ได้พากันประมาทอย่าไปท้อถอยอเมื่อว่าทำสมาธิไปแล้วจิตไม่สงบว่าหยุดเสียไม่ทำมันต่อไปอีกอย่างนี้นะไม่ถูกต้องนะ เมื่อเมื่อทำสมาธิลงไปมันจิตมันสงบเราก็ไม่ถอยเราก็พ้าเพียนเพ่งอย่างที่แนะนำมาแล้วนะอนาณาปานสติการเพ่งลมหายใจนี่เป็นหลักของกรรมฐานอื่นๆแม้เราเจตเจริญกรรมฐานอื่นๆก็ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกให้มันได้สิกรแล้วจึงก็เพ่งอธุภาคกรรมฐานอย่างนี้นะจึงก็เพ่งเมตตากรุณา ถ้าหากว่าจิตไม่กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยนน่นั้นแสดงว่าจิตไม่ตั้งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเราที่ไปเพ่งอนสะุภกรรมาฐานไปได้อย่างไงจิตไม่ตั้งเนี่ยให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเรากําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้แล้วจิตใจมันก็จัดสงบนิ่งหยุดคิดหยุดนึกไปคราวนี้ อา้าผู้นี้เป็นราคะจริตต้องกำหนดอสุภกรรมฐานมาเพ่งกันแบบนี้นะอา้าอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อได้เห็นซากศพที่ไหนเราก็จดจำเอาเป็นอารมณ์ไว้มาเพ่งซากศพอันนั้นให้แจ่มแจ้งในใจเข้าไป นี่เมื่อใจตั้งลงไวแล้วมันก็เห็นเนี่ยนึกถึงซากของสัตว์ตึกถึงซากศพของมนุษย์ซ า, สสรรากศพท่านก็ปลากรจริงๆขึ้นเอิดเน่าพองน้ำเหลืองไหลอะไรมวกนี้นะมันย่ปลากฏดขึ้นมาได้และที่สุดก็พวกสุนัขพวกแรงพวกกายื้อแย่งกันกินถ้าไม่เผาไม่ฝังนะมันก็ไปอย่างนั้นแหละ ร่างกายของมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเวลายังจิตยังอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ผู้มีปัญญามันก็ต้องรีบเร่งใช้กายใช่วาจานี่ประกอบกุศลคุณงามความดีเข้าไปให้เต็มความสามารถทีเดียวอวยพระนั่งส ม, มาธิภาวนาเจริญกรรมฐานดังกล่าวมานี่นะ เอาเราจะเจริญอย่างนี้ไปเพ่งอย่างนี้ให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐานเหล่านี้แหละจ น, นกว่าร่างอันนี้มันจะแตกกระดับทําลายไปอย่างนี้นะเราจะไม่ถอยถึงแม้ว่ายังจะละกิเลสปัญหาให้ขาดไปทั้งหมดไม่ได้ก็เมื่อเราเพ่งกรรมฐานภาวนาอยู่นี้ไม่ท้อไม่ถอยแล้วกิเลส มันก็เบาวางลงไปได้แน่นอนทีเดียวกิเลสยังหยาบก็เบาวางลงเมื่อกิเลสยังหยาบเบาวางลงแล้วยังเหลือแต่อย่างกลางอย่างละเอียดมันก็ไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่แบบนี้น ะ, ะมันมันก็ได้ทำใจให้สงบได้ง่ายกวัวที่ปล่อยให้กิเลสยังหยาบครอบงามจิตใจมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากัน ตั้งสติตั้งใจเ อ, อทำความเพียนเพ่งพินิษลมหายใจเข้าออกอยู่ภายในพยายามเพ่งให้มันเกิดแสงสว่างภายในเหมือนอย่างบุคคลส่องไฟฉายเข้าไปในถ้ำอย่างนี้นะถ้าไฟไฟฉายนั้นมันดีมันไม่เสียเมื่อกดสวิตช์เข้าไปมันก็สว่างเข้าไปมองเห็นวัตถุอะไรต่อได้ในถ้ำนั้นได้ตามประสงค์ อันนี้เหมือนกันละเมื่ออจักขุยานคือว่าตาอันนี้เน่ยมันไม่บอดไม่เสียอันนี้แหละเรากําหนดรวมสายตาไม่ส่งไปในที่อื่นนะรวมเพ่งเข้าไปภายในน่ยมันก็สว่างเข้าไปเอเหมือนกับเรากดสวิทไฟฉายที่ไฟฉายมันไม่เสียนะเนี่ยมันก็สว่างเข้าไปในถ้ำอย่างว่า ร่างกายนี่พระองค์ให้เปรียบเหมือนกับรรมเป็นที่อยู่อาศัยของดวงจิตเราอาศัยการเพ่งให้เกิดแสงสว่างขึ้นมามันก็ขจัดความมืดอยู่ที่มันเคยมืดนมนวาทจ่กรมันก็ระ ง, งับไปจิตใจก็เบิกบานพองแขรวอันนี้แหละจะเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญา ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้